เจริญพรท่านเพื่อมีจิตเมตตาการุณาใจบนใจกตสงฆ์ ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบเมษายนพุทธศักราช2559ราเเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาทำบุญมาละบากมาชำระใจให้สะอาด อม็มีมีศรัทธามีความเชื่อในการตัดสินใจของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแล้วได้นําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สรรพโลกที่ยังไม่เห็นเรื่องของกฎแห่งกรรม เพื่อที่จะได้สร้างกรรมดีแลบกรรมไม่ดีเพื่อจะได้สร้างความสุขความจเจริญสร้างความหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้มาสั่งสอนพวกเราพวกเราจะไม่รู้เรื่องของกฎแห่งกรรม พวกเราก็จะทำบาปทำกรรมไปตามความรู้สึกนึกคิดเวลาใดคิดอยากจะทำบาป ก, <ม>ก็จะทำโดยไม่มีการยับยัง้งพอไม่รู้ว่าเป็นโทษแก่ชีวิตจิตใจแ ต, แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่มาสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม พวกเราก็จะได้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้ผลของการทำดีว่าเป็นความสุขเป็นความเจริญรู้ผลของการทำความเชั่อ ว, ว่าเป็นการเป็นเป็นการที่จะทำให้เกิดความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆกรมนี้แปลว่าการกระทำ ภาษาพระกับภาษาของญาติโยมบางทีใช้ไม่เหมือนกันคำว่ากรรมนี้เป็นคำกลางกลางไม่ไั้ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นการกระทาถ้าทาดีก็เรียกว่าบุญถ้าทำไม่ดีก็เรียกว่าบาปแต่บางทีเราใช้คำว่ากรรมนี้แทนบาปกันเช่นบุญกรรม ความจริงเราหมายถึงบุญบากแต่เรานักจะใช้คำว่ากรรมแทนคำว่าบาปพอเราได้ยินคำว่ากรรมเราก็เลยคิดว่าเป็นบากแต่ความจริงคาว่ากรรมนี้ภาษาพระภาษาบาลีแปลว่าการกระทำการกระทำนี้ก็มีสาสามแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งเรียกว่ากายกรรม คือการกระทาด้วยร่างกายแบบที่สองเรียกว่าวาจีกรรมคือการกระทาด้วยวาจาและแบบที่สามเรียกว่ามนโนกรรมเรียกคุปแปลว่าการกระทาด้วยความคิดนี่คือการกระทาที่พวกเราทำกันอยู่อย่างต่อเนื่องและการกระทานี้ก็มีสามทาง การกระทำดีก็เป็นบุญทางที่หนึ่งการกระทำบาป ก, ก็เป็นการกระทำไม่ดีทางที่สองและทางที่สามก็คือการกระทำกลางๆไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปผลของการกระทำทั้งสามทางนี้ก็มีต่างกันไปถ้าทำดีผลก็คือความสุขความเจริญ ของจิตใจเราต้องเข้าใจว่าผลนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความเจริญในลาบยศสารเสริญสุขอันนี้ไม่เกี่ยวกันการทำความดีนี้เราจะได้ความเจริญและความสุขทางจิตใจเช่นวันนี้ญาติโยมมาทาบุญเรียกว่าทาดีทาแล้วมีความสุขใจอิ่มใจใจก็สูงขึ้น ใจเป็นผู้ให้ใจก็จะเป็นเทวดาถ้ารักษาศีลด้วย<ม>ก็จะไปเป็นเทวดานี่คือความเจริญของจิตใจทำแล้ววันนี้ไม่ได้ทำให้ราบให้ญาติโยนรวยขึ้นมีตำแหน่งสูงขึ้นมีคนมาสรรเสริญยกย่องเยืนยอแต่อย่างใดันขอให้เราทำความเห็นให้ถูกต้อง เพราะไม่เช่นั้นเราจะเกิดความท้อแท้ในการทําความดีในการทําบุญเพราะเราทุกคนก็คิดว่าทําบุญแล้วเราจะได้รวยขึ้นจะได้มีตําแหน่งมียศมีเกียรติสูงขึ้นจะมีคนยกย่องสรรเสริญให้รางวัลกับเราอันนี้ไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากการทําความดีแต่อาจจะเป็นผลปล่อยได้ อาจจะมีโอกาสได้และไม่ได้บางทีเราทาความดีคนเขาเห็นความดีของเราเขาก็เพิ่มเงินเดือนให้เราหรือเลื่อนตำแหน่งให้เราสูงขึ้นแต่อันนี้เรียกว่าเป็นผลคลอยได้ไม่ได้เป็นผลหลักผลหลักนี้ต้องดูที่ใจของเราเราทำกรรมนี้ไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วนี้ มันมีผลที่เกิดขึ้นกับใจของเราทันทีเราทำความดีใจของเราจะมีความสุขใจอิ่มใจทันทีแล้วใจของเราก็จะสะอาดขึ้นสูงขึ้นจากมนุษย์เราก็จะขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรหเป็นพระอริยบุคคลไปตามลาดับนี่คือเรื่องของผลของการทำความดี ดีที่ใจไม่ได้ดีที่ราบยศสรรเสริญส่วนราบยศสรรเสริญนี่บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีทาดีถ้าเป็นแทบตายแต่คนมองไม่เห็นก็มีหรือดีไม่ดีกลับไปเห็นว่าทําไม่ดีก็มีแทนที่จะยกย่องสรรเสริญกลับมาตำหนิติเตียนเราอย่าไปดูผลตรงนั้นเพราะจะทําให้เราเกิดความ เพราะแท้ไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำบุญทำความดีกันอย่างที่มีคำพูดในสมัยนี้ว่าทำบุญทำดีแล้วไม่ได้ดีทำชั่วแล้วได้ดีถงไปอันนี้เพราะว่าเราไปมองที่ผลทางลาบยศสรรเสริญใช่คนทำชั่วนี้รวยได้ได้ตำแหน่งยะใหญ่โตได้มีคนยกย่องสรรเสริญได้ แต่มันไม่ได้เป็นผลที่เราหมายถึงกันคนทาชั่วต่อให้ได้รับการยกย่องได้รับราบยศสรรเสริญมากน้อยเพียงไรแต่ใจนี้จะไม่มีความสุขใจจะมีความทุกข์เสมอเวลาทําบาปแล้วใจจะร้อนใจจะไม่สงบใจจะวุ่นวายใจจะเดือดร้อนใจจะวิตกกังวล นี่ให้เราดูที่ใจของเราเวลาที่เราทำอะไรก็ตามดูว่าทำแล้วสุขใจหิ่มใจหรือวุ่นวายใจไม่สบายใจเช่นถ้าทำบาปนี้ไปรักทรัพย์นี้จะไม่สบายใจทันทีถึงแม้ว่าจะได้ทรัพย์มาก็จะดีใจชั่วตอนที่ได้มาแต่พอใช้ทรัพย์หมดไปแล้วทีนี้ก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นมา ยังไม่ทันใช้ทรัพย์ก็มีความวิตกขึ้นมาได้เหมาะเดินไปไหนนี่ระบาดระแวงเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินมาหานี่ตกใจคิดว่าจะมาจับแต่ความจริงเขาอาจจะเอาของมาให้เสียด้วยซ้ำไปเห็นเราทําของหล่นตกอยู่เขาก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เอามาให้เราแต่พอเราเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินเข้ามาหาเรานี่ถ้าเราไปทําผิดกฎหมาย ใจเราจะตกใจขึ้นมาทันทีเลยเป็นเหมือนวัวสันหลังหวัดมีแผลแล้วพออะไรมาแตะหน่อยก็สะดุ้งขึ้นมาทันทีนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมและวิบาก ค, คือผลของกรรมอยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ที่เกิดจากภายนอกเหตุการณ์ที่เกิดจากร่างกายของเรานี้บางทีมันไม่ได้เกิดจากบาปกรรมก็ได้ นั่งรถไปอยู่ดีๆรถพลิกคว้างตายไปอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นผลของการทำบาปเพราะไม่ได้ทำบาปนั่งรถไปนี้เป็นการกระทำที่เป็นกลางไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาปเราเดินทางไปไหนมาไหนด้วยรถยนต์ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ขึ้นเครื่องบินก็อาจจะตกเครื่องบินได้การตายแบบนี้ไม่ได้เป็นผลของวิบา คือไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการทำชั่วแต่จะเป็นผลที่เกิดจากการมาเกิดความตายนี้เป็นผลที่เกิดจากการมาเกิดถ้าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนแต่ไม่ได้เป็นผลเพราะว่าทำบุญหรือทำบาปคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายเพราะมาเกิดถ้ามาเกิดแล้วต้องตายด้วยกันทุกคน ถ้าไม่อยากจะตายก็อย่ากลับมาเกิดวิธีที่จะไม่กลับมาเกิดก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทาบุญละบาปแล้วชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วใจของเราก็จะไม่มีตัวที่จะฉุดลากให้เรามาเกิดใหม่ตัวที่ฉุดลากให้ใจของเรามาเกิดใหม่ก็คือตัณหาความอยาก หรือกิเลสความโลภความโกรธความหลงตราบใดถ้าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ยังมีความอยากอยู่เรายังจะต้องกลับมาเกิดใหม่เมื่อกลับมาเกิดใหม่แล้วเราก็จะต้องตายอย่างแน่นอนหนีไม่พ้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวก็ต้องตายเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตายแต่ตายอันตายของพระพุทธเจ้านี้ ต่างจากการตายของคนชั่วหรือของคนที่ยังไม่ได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การตายของพระพุทธเจ้านี้เป็นการตายครั้งสุดท้ายเพราะจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเพราะใจของพระพุทธเจ้านี้ได้ชำระความโลภความโกรธความหลงได้ชำระความอยากต่กตางๆหายไปหมดจากใจแล้ว ใจเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์จึงไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปแต่ใจของพวกเรานี้ถ้ายังไม่ได้ชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ตายไปแล้วก็จะต้องไปรับผลของบุญของบาปก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าบาปพาไปก็จะไปเกิดในอบาย ไปเกิดเป็นเดลฉานเป็นเปรตเป็นอสุลกายไปตกนรกถ้าบุญพาไปบุญก็จะพาไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆอันนี้เกิดจากการกระทําที่เรียกว่ากายกรรมวัจีกรรมและมโนกรรมเนี่ยกายทั้งกรรมทั้งสามนี้มีมโนกรรมเป็นต้นเหตุก็ วจีกรรมกับมโนกรรมนี้ต้องรอคําสั่งจากมโนกรรมก่อนคือก่อนที่เราจะพูดอะไรได้ทําอะไรได้เราต้องคิดก่อนถ้าเราไม่คิดเราจะพูดไม่ได้ทําไม่ได้เช่นตอนที่เรานอนหลับนี้เราไม่ได้คิดว่าจะพูดอะไรเราไม่ได้คิดว่าเราจะทําอะไรเราก็เลยนอนเฉยๆแต่พอเราตื่นขึ้นมาปั๊บนี้เราคิดแล้ว ลืมตาขึ้นมาเอ๊ะจะทำอะไรดีอ๋อปวดท้องฉี่เข้าห้องน้ําก่อนนี่ก็สั่งความคิดก็สั่งให้ลุกขึ้นให้ไปเข้าห้องน้ําแล้วพออาบน้ําแต่งตัวเสร็จพอไปเจอคนนั้นคนนี้ใจก็สั่งให้คิดแล้วว่าจะพูดกับเขาอย่างไรดีถ้ามีอารมณ์ไม่พอใจเขาเขาด่าเราเมื่อวานนี้ก็อาจจะสั่งให้ไปด่าเขาทันที เธอมาดา่าเราทำไมเมื่อวานนี้เราไม่ได้ทำอะไรให้กับเธอเลยเธอนี่เลวมากอันนี้ก็มาจากความคิดก่อนดังนั้นการที่เราจะทำดีหรือทำไม่ดีหรือทำกรามกาอยู่ที่ความคิดของเราความคิดของเราก็อยู่ที่อารมณ์ของเราวันไหนอารมณ์ดีก็จะคิดดีเช่นวันนี้อารมณ์ดี คิดว่ามาทำบุญดีกว่าอันนี้ก็สั่งให้ร่างกายมาทำบุญถ้าอารมณ์ไม่ดีวันนี้ก็จะไม่อยากจะมาวัดอยากจะไปทำนู่นทำอย่างอื่นแทนเพื่อดับอารมณ์ที่ไม่ดีอาจจะไปเที่ยวเพราะคิดว่าการเที่ยวแล้วจะทำให้อารมณ์ที่ไม่ดีนี่ดับไปก็เลยคิดว่าจะไปเที่ยวก็จะสั่ง ทางวาจาให้ชวนเพื่อนไปเที่ยวแล้วก็พาร่างกายนี้ไปเที่ยวอันนี้ก็เรียกว่า <c oughs> เป็นการกระทาที่ไม่ดีเพราะว่าการเที่ยวนี้จะทำให้เราเสียนิสยัยจะติดนิสยัยเวลาไม่สบายเราก็ต้องไปเที่ยวแต่กลับมาความไม่สบายใจมันก็ไม่หายไป เราก็ต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆพอเราไปเที่ยวเราก็ต้องใช้เงินทองพอใช้เงินทองมากเกินไปก็จะไม่มีเงินทองพอใช้พอเงินทองไม่พอใช้ก็จะอาจจะต้องไปทำบาเพื่อหาเงินทองเพิ่มขึ้นมาเช่นไปลักทรัพย์ไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงอันนี้เป็นการกระทำที่ไม่ดีไม่ควรจะทำ เวลาที่เรามีอารมณ์ไม่ดีให้ทาตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่ามาสัมาสงบสติอารมณ์ดีกว่าอย่าไปทาตามอารมณ์เวลาอารมณ์ไม่ดีนี้ให้มานั่งทำใจให้สงบก่อนให้อารมณ์ที่ไม่ดีนี้หายไปก่อนวิธีที่จะล้างหรือลบอารมณ์นี้ก็ใช้สติสติก็คือการ เราลึกถึงคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเช่นเวลาใครทำให้เราโกรธเราอย่าไปเผชิญหน้ากับคนที่ทำให้เราโกรธเราควรที่จะแยกตัวเราออกมาเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็นั่งพุทโธพุทโธไปในใจในห้องน้ำไปจนกว่าความโกรธจะหายไปพ อ, อหายแล้วเราค่อยออกมาเพราะถ้าเรายังมีความโกรธอยู่ ถ้าเราเห็นคนที่เราโกรธนี้เดี๋ยวเราจะอดที่จะคิดไม่ดีไม่ได้คิดที่อยากจะทำร้ายเขาคิดที่อยากจะด่าเขาแล้วเราก็จะสั่งให้ ว, า, วาจาพูดไปในสิ่งที่ไม่ดีสั่งให้ร่างกายทำไปในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะมาเสียอกเสียใจในภายหลังว่าเราไม่ควรพูดเลยเราไม่ควรทำเลย แต่ทำไปแล้วจะทำอย่างไรได้ทำไปแล้วก็จะทำให้เขาไม่ชอบเราทำให้เขากดเราได้หรือถ้าทำให้เขาเสียหายมากๆเขาก็อาจจะกลับมาทาร้ายเราก็ได้หรือไม่เช่นนั้นเขาก็จะไปฟ้องร้องกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกมาจับตัวเราไปลงโทษก็ได้เพราะว่าเราคิดไม่ดีเนื่องจากมีอารมณ์ไม่ดี เราจึงไปพูดไม่ดีทำไม่ดีพอพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีความเสียหายหเกิดขึ้นแล้วก็มีโทษกลับมาหาเราวิธีที่จะทำให้เราคิดดีอยู่เรื่อยๆก็คือเราต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆฝึกบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่จาเป็นจะต้องคิด ถ้าจะคิดก็คิดแต่เรื่องที่ต้องคิดจริงๆเช่นคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเช่นตอนนี้เรากำลังคิดบัญชีอยู่ทาบัญชีอยู่กาลังบวกลบคูณหารเราก็คิดอยู่กับเรื่องการทำบัญชีแต่จะไปคิดถึงเรื่องคนนั้นที่ทงไม่ดีกับเราพูดไม่ดีกับเราอย่าไปคิดเพราะคิดแล้วจะทำให้เราอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาให้เราฝึกสติไปเรื่อยๆ แล้วใจของเราจะมีอารมณ์ดีไปทั้งวันพออารมณ์ดีเราเจอใครแล้วก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายมีอะไรพอจะช่วยเหลือเขาได้มีอะไรพอจะให้เขาได้เราก็อยากจะให้เพราะเรามีอารมณ์ดีอารมณ์ดีนี้ต้องมีสติควบคุมใจควบคุมอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีถ้าไม่มีสติแนละ้วพอไปสัมผัส กับอะไรที่ทำให้เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้แล้วถ้าเราไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอยู่เรื่อยๆมันก็จะสะสมบาปให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆเวลาเราตายไปนี้บุญกับบาปนี้จะมาคิดบัญชีกันใครมีมากกำลังมากก่อกัน ก็จะดึงใจไปรับผลของบุญหรือของบาปถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปรับผลในอบายถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปรับผลในสวรรค์ในสุขตินี่คือผลที่จะตามมาต่อไปไม่ใช่เฉพาะผลที่เกิดขึ้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ ถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปคิดดีก่าคิดดีพูดดีทำดีมากกว่าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์แต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมากกว่า markets, คิดดีพูดดีทำดีเราจะมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขแล้วเวลาเราตายไปเราก็จะต้องไปอบายนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรม จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต่างจะมีพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกหรือไม่ก็ต่างกฎแห่งกรรมย่อมเป็นกฎแห่งกรรมเสมอทุกยุคทุกสมัยท่านเรียกว่าอาการลิโกไม่มีวันเปลี่ยนไปตามการตามเวลาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาเช่นร่างกายก็จะมีแก่ลงไปเรื่อยๆนั่นต่อไปก็ต้องตายไป ต้นไม้ใบหญ้าสาลาหลังนี้ต่อไปก็ต้องเก่าลงไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งมันก็ต้องพังเพราะนี่คือเรื่องของธรรมชาติธรรมชาตินี้มีวันเสื่อมมีวันหมดแต่กฎแห่งกรรมนี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่ว่าจะไปเกิดในยุคใดสมัยใดจะไปเกิดอยู่บนดวงดาวดวงไหนโลกไหนกฎแห่งกรรมก็จะตามเราไปเสมอ ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีความสุขความจเจริญก็จะตามมาเสมอถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆก็จะตามมาเสมอนี่คือสิ่งที่เรามาศึกษามาฟังกันแล้วถ้าเราเชื่อเราก็นาเอาไปปฏิบัติแล้วพอเราปฏิบัติเราก็จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองว่า กฎแห่งกรรมนี่มีจริงหรือไม่แต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่รู้หรือว่าถ้าเราไม่รู้วิธีพิสูจน์ว่าวิธีพิสูจน์กฎแห่งกรรมนี่พิสูจน์อย่างไรเราก็อาจจะไม่สามารถพิสูจน์ได้เช่นถ้าเราไปคิดว่าทำดีแล้วต้องนั่าต้องรวยต้องเป็นใหญ่เป็นโตต้องมีคนยกย่องสรรเสริญ แต่พอทําแล้วไม่ไม่ไม่รวยไม่ใหญ่โตไม่มีใครสรรเสริญเราก็จะปฏิเสธกฎแห่งกรรมทันทีว่ากฎแห่งกรรมนี้ไม่จริงแล้วเราก็จะไม่อยากจะทําความดีต่อไปนี่คือวิธีพิสูจน์ที่ไม่ถูกต้องวิธีที่พิสูจนที่ถูกต้องต้องดูที่ใจของเราว่าใจของเราเวลาทําความดีแล้วสุขหรือทุกเวลาทําบาปแล้ว ใจของเราสุขหรือทุกข์ให้ดูตรงนั้นแล้วเราก็จะเชื่อว่ากฎแห่งกรรมนี่มีจริงทำดีแล้วทำให้เรามีความสุขความเจริญทำไม่ดีแล้วจะทำให้เรามีความทุกข์มีความเสื่อมเสียนี่คือจุดที่เราควรจะมองคือใจของเราอย่าไปมองรางวัลต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะบางทีมันไม่เกิด า็คนอื่นเขามองไม่เห็นหรือเ็าอาจจะคิดว่ายังทําดีไม่พอก็ได้เขาก็เลยยังไม่ให้ตอบแทนให้ผลตอบแทนกับเราแต่ความดีที่เราทานี้เราจะเกิดมันจะเกิดขึ้นทันทีภายในใจและต้องทําแบบไม่มีเงื่อนไขทําแบบไม่ต้องการอะไรเป็นรังวี่รางวัลเพราะถ้าเราทําเพื่อรังวัลเราก็จะจดจ่อรอรับรางวัล แทนที่จะมีความสุขกับมีความกังวลกัาวลใจเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้รางวัลสักทีอย่างนี้ก็เลยไปโทษว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีแล้วถ้าอยากจะได้ผลดีทันทีนี้ต้องไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนต้องการให้ความสุขแก่ผู้นต้องการช่วยเหลือผู้นให้เขามีความสุขหรือให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆ เช่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยพาไปหาหมอพาไปโรงพยาบาลเขาไม่มีอาหารก็หาอาหารมาให้เขารับประทานโดยที่ไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนนอกจากให้เขามีความสุขให้เขาบรรเทาความทุกข์ที่เขามีอยู่ให้เบาบางลงไปถ้าเราทำแบบนี้รับรองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะต้องมีความสุขใจอย่างแน่ๆนไม่เชื่อลองทาดู กำลังกินข้าวมีข้าวอยู่จานหนึ่งมีขอทานเดินผ่านมาผองหิวโซซัดโซเซมาัอาตัดสินใจยกข้าวจานนี้ให้เขากินและรับรองได้ว่าใจจะไม่หิวใจกับใจอิ่มทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้กินข้าวแต่จะรู้สึกว่าอิ่มกว่าการได้กินข้าวีกเพราะเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำด้วยความเมตตกรุณานี่คือวิธีทาความดี เราต้องทำด้วยความเมตตากรุณาเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้รับการกระทำของเราแล้วเราจะมีความสุขตายไปเราก็จะไปสู่สุคตินี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พวกเรานี้ยังอยู่ภายใต้เหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองเราทำผิดกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองเขาก็จะจับเราไปลงโทษเราทาผิดกฎแห่งกรรม กรรมก็จะพาเราไปลงโทษทาแล้วก็ล้างไม่ได้ด้วยล้างบาปล้างกรรมไม่ได้ทำแล้วมีแต่รอเวลารับผลของบาปของกรรมเท่านั้นยกเว้นว่าถ้าไม่กลับมาเกิดเท่านั้นถึงจะหนีจะพ้นออกจากกฎแห่งกรรมได้ถ้ายังกลับมาเกิดอยู่ยังต้องใช้กรรมเก่าอยู่กรรมเก่าอาจจะทำมาหลายภพหลายชาติแล้วก็ได้แต่ยังไม่ได้มีโอกาสส่งผล พอชาตินี้อาจจะมีโอกาสส่งผลก็ได้ดังนั้นเราต้องยอมรับความจริงเวลาที่เราเจอสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็ขอให้คิดว่ามันเป็นผลของการทำบาปของเราอย่าไปบ่นว่าทำดีแทบเป็นแทบตายกลับมาเจอแต่ผลร้ายต่างๆผลไม่ดีต่างๆเราต้องมองข้ามภพข้ามชาติไปชาติก่อนเราเคยทําบุญทําบาปมามากก็ได้ ชาตินี้ทำบุญไม่เท่าไหร่แต่บาปมันกลับมาสแสดงผลก่อนก็ได้หรือในทางตรงกันข้ามทำบาปก่อนทำบาปไวแต่ผลบุญมันตามมาก่อนก็มา ส, ส่งผลก่อนก็ได้ก็อาจจะไปคิดว่าเฮ้ย ท, ทำบบบาปแล้วได้ได้ผลดีหรือไปคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ผลไม่ดีเพราะเรามองไม่ถูกมองไม่เข้าใจ เราต้องมองว่าเราทำบุญทำบาปมามากมายก่ายกองที่ยังไม่ได้ส่งผลก็มีเวลามันส่งผลในขณะที่มันเราทำตรงกันข้ามกัน ก, ก็อย่าไปคิดว่าทำบาปก็ได้ผลดีทำดีก็ไม่ได้ผลอย่างนี้ก็จะทำให้เสีย อ, อกเสียใจหรือทําให้ชลาดใจไม่กลัวบาปกันทำบาปแล้วได้รางวัลก็จะคิดว่าจะได้รางวัลไปเรื่อย มันดีคืนดีพอบาปมันตามมาทันก็จะถูกจับไปเข้าคุกเข้าตลางได้จึงขอให้พวกเราจงเชื่อโดยหลักว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ช้าหรือเร็วนี้เราไปกำหนดนันไม่ได้เท่านั้นแต่ขอให้เรามีความมั่นใจว่าทำดีได้ดีแน่นอนทำชื่วต้องได้ชื่ออย่างแน่นอนแล้วเราจะได้มีกำลังใจที่จะทำความดี และการกระทำบาปแล้วก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะไปชาระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมารับผลของบาปกรรมอีกต่อไปของบุญของบาปอีกต่อไปการสแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล